เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยบนว่าเขาสูงภูเพคกสกนครถท่านอยากทราบเรื่องราวนี้ชัดเจนท่านเอาเพพสิงโคตบูลสองมว้วนไปเปิดท่านจะได้ข้อมูลที่ละเอียดเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้ามาตรงนี้เหยียบรอยพระบาทไว้ที่พระบาทคนสันพระบาทเบินตาสองฝ้าฝังโค้งหลังจากนั้นเสร็จขึ้นมาที่พระาธาตุภูเพ็กพระมหากระสปะตามมาท่านได้กล่าวเอาไว้ในตำนานอุรังคณิฐานว่าดูกรกระสปะเป็นประเพณีของพุทธเจ้าทั้งหลายในพระตกับนี้กุกุสันทาโกนาคามณนะถึงกระสปะและเราผู้โคตรมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิญชมตรงนี้ และเมื่อดับพันปรินิพานแล้วจะต้องเอากระดูกงออกของเรามาไว้ที่โพกัมพาตรงนี้เพราะอะไรและท่านก็บอกว่าโดยก่องกระสปะบริเวณสองฝ้าฝั่งแม่น้ํานี้นั้นเป็นดินแดนของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิอ่อนน้อมถ่อมตนว่าไงายว่าบอเป็นคนขี่หูสามารถสองฝ้าฝั่งแม่น้ํานี้นั้น จะเป็นดินแดนกลุ่มชนผู้อ่อนน้อมถอมตอนมีสัมมาทิฏฐิจะมารักษาพุทธศาสนารุ่งโร่โชตนาการถึงห้าพันปีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทุกองก็เลยมาเลือกตรงนี้หลังจากนั้นท่านปรินิพานแล้วแปดปีพระธาตุนมเกิดขึ้นแต่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเราเราเรียนกันนั่นเราได้เขียนในสารลึกเรื่องนี้เทิดทูนกันไว้สักแค่ไหนทั้งหมดนี่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 ปุระแปลว่าเมืองเป็นภาษาบาลีสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองเจริญสงบร่มเย็นด้วยอํานาจแห่งธรรมพัสมนะโคโดมแต่เสร็จแล้วคนพวกเราเนี่ยอีสานเราเนี่ยสองภากสังพูอะไรพูดเร็วๆตามหลักภาษ า, าศาสตร์ในการสมาคคำพูดสีโคตมะปุระก็เลยเป็นสีโคตะบูนสีโคตะบูน ไม่ใช่สีโคตรพตะบองตรงนี้นะมันเป็นคําพูดที่เก่ามากสีโคตรบูญอาณาจักรที่สวยงามรุ่งเรืองเจริญด้วยอํานาจแห่งธรรมของพระสมณะขอดมพวกเราพูดอะไรสั้นๆ ส, สมัยใหม่ไม่รู้คนสมัยเก่าอย่างเอาบุญแจกข้าวอย่างเอาบุญเขาสราเขาประดับดินแล้วเรียกว่าสองข่าแจกเอาหนังสื้อมาเทศสองข่าแจกสองข่าประดับดินสองขาาอ่าวสร้างแนงย่งสองจัก ความจริงสองมันจะคําว่าฉลองฉลองฉลองววัยเลยสองเข้าสากมันจะคําว่าเข้าฉลางเจ้าหัวมันจะคําว่าเจ้าอยู่หัวชั่วน้อยมันจะคาว่าเจ้าอยู่หัวน้อยววัวเยเลยเจ้าหัวชัวน้อยไปเลยนั่นสีโคดมกุระก็เลยเป็นสีโคตตบูรเป็นอันว่า บ, บริเวณนี้ผู้ศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาตลอดแต่เสร็จแล้วเป็นไงเมื่อ ประเทศไทยเป็นประเทศไทยเอาเมื่อเป็นรัตนโกสินทร์มาก็ดีเมื่อเป็นอยุธยาก็ดีเมื่อเป็นสุขโขทัยก็ดีเราก็จะเห็นในสุขโขทัยนั้นหลักจารึกศิลาจารึกก็บอกอย่างหลักที่หนึ่งด้านที่สองว่าเมืองสุขโขทัยธานีนี่พ่อคุณลามคำแหงมหาราชเป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองพร้อ ม, ออ ม, ออมอด้วยชาวแม่ชาวเจ้าถวยปวดถวยนั่ง ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝุงชผวยมีสถานในพระพุทธศาสนามักจําสินมักทรงสินมักอวยหานจําสินกันในหน้าจําพันษาการจนหมดหน้ากระถินแล้วจึงเสร็จนั่นอาจารลึกถึงความเจริญทางจิตใจอยู่และยบอกว่าเบื้องที่ตะวันตกของเมืองสุขโขทัยหานีนี่มีอาลันยิกปาเป็นที่สถิตของปูครูเจ้าผู้แตกฌานตีดกไตหลวกทั้งหมดลูกจากนครศรีธรรมราชมา ลักษีลาจะลึกอกกระบอกบอกถึงความเจริญทางจิตใจพ่อเมืองถึงคนหนุ่มคนสาวไปจําสิยงกันต่อมาถึงอายุธยาอายุธยานี้รู้สึกจะเน้นมาทางวัตถุมากศาลาอนเนกสร้างแสงเสาทำมาตูงใจเบื้องสู่ฟ้าศาลาอนเนกสร้างแสงเสาโดยเสร็จอย่งงางบางทีก็อยุธยายอดยิ่งฟ้าหลงดินสาเตดีละองอินปาสารคางในทาทอง และเหือนอกสมคือเจดีย์ใหญ่ๆแล้วทาหุ่มด้วยหองในเมือนอกสมอย่างนี้แล้ยังศาลาอนเนกสร้างแฝงเสาทำมากจูงใจเมืองสู่ฟาอย่างนี้แสดงออกถึงความเจริญทางวัตถุมากในอยุธยาพอถูเผาถูกไหม้ล้มละลายมาถึงกรุงเทพกรุงเทพก็ยังเม้นตามหลักอยุธยาในการสร้างวัตถุ อยุธยารดยิ่งฟ้าลงดินยดล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลี่สิ้นหาตปางระัตะนะบันเจิดล่าอย่างนี้มื่อกับอยุธยาล้มล้มลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นรัตะนะโกสินทร์ก็เน้นไปนทางวัตถุอีกเหมือนกันนี่เราจะเห็นวรรณกรรมต่างๆทางภาคกลางทางอยุทยาทางสุขโขทัยอ้าวทีนี้มาดูอีสานของเราอีสานของเราเมื่อก่อนยังไม่ได้ไปขึ้นตรงโน้นเรายังเป็นอาณาจักรล้านช้างสองฝ้าฝั่งนี้เราขึ้นกับประเทศลาวนุนนะ ในตรงนี้เราจะเห็นได้จากวรรณกรรมปูสอนหลานอินทยยนสอนโลกกาพมณีการส่วยแล้นนวก็นักศึกพวกลำพื้นเมืองของบูฮานอย่างคองบูฮ า, านนั่นคือ politics science ระบบการเมืองการบริหารประเทศชาติอันมาพุทธศาสตร์ลำทุกสำค่สอนให้ทานตีปองเหมือนห่างห้างไพ่พื้นเหน้าเหนา่ามีขุนภูประเสริฐให้ทานเลือกครูแก่วกุลไหว ด, ดังลา อหมาดหน่อยเอาไวแอบต่างตาปุณดังเป็นสาขางางง่ามระวังไใบองค์กระซัดไห่เป็นจอมอยังหยอดและดูแฝงฝนฝนหล่นลมทึ่งหดแป่ส่งต่รบผอดแดนใดซุ่มขา้าหน้าซัดชอบเชยห่มเต่านี่เป็นหยาดท้าเถะทำห่มปุนเปียบกขันเป็นหากปมัผีผ้าตนตุ่มตายไายน่องเอ้คานี้ฟังถูกไหมรวมทั้งคมมาเป็นอันเดียวเหมือนเต้นมะม่วงตันนี้พุทธสารลำถูกสำคําสอนเพราะคุณจังหากห้างค่ายหุ้น มี่นีลำต้นให้หานเหลือคูแก้วปุ่ไหวดังล่ำกองกําลังทหารมั่นคงเหมือนลำต้นหลังจากนั้นอําม่านหน่อยเอาไว้แอบตามตาปุ่นดังเป็นสาขางางง่ามระวังไว้กิ่งก้านของต้นไม้เหมือนข้าราชการตามกระทรวงทบวงกลมต่างๆเป็นหูเป็นตาแทนพระราชาองค์กษัตริย์ให้เป็นจอมยิ่งหย่อดแม่ดูแฝงฝนฝนหล่นลุมทึ่งหอดแปฝงตะลบทอดแดนใดซุ่มกันหน้าซัดชอบเชื่อห้มเต๋า มีปัญญ า, าทาแท่ทําเงียมกุญเปียบขั้นเม่นหากบอมันสิผ้าตน้นตูงตายกินกา้านเป็นพวกขราราชการยอดเป็นราชาใบลูกดอกมาเป็นประชาชนทั้งหลายทีนี้มันสำคัญรากมันสังโคขุ<อ>คณนจังหากห้างพ้ายพื้นมีผ้าสองอกเก่าเหลืองๆเป็นรากของต้นไม้ดูด น, น, น, น, น้าเอาปุ๋ยน้ำปุ๋ยคือทำคือวิ่งไ เอามาเลีงลำต้นกี่งก้านดอกไปเนียท้าแผ่ท่าเนี่ยมปุ่นเปียบหากบอมันสิผ้าตนตุงมตายคันห้าก็เป็นจะสําถึงหน้าบาดเนี่ยหมายถึงพระสององค์เจ้าบอเอาไหนไม่มีความรู้ไม่มีความตา ม, มาถไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติทําห้าเน่าห้าตายฝนจะท่ำน้ำจะโชกใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ปุ้ยคอกปุ้ยขี่ว่ายหาประโดตายหักบ่มันผ้าตนตุ่มตาย อาตมาว่าเอเมนอิรบอคนโบราณก็คือบอกดีแท้ที่วัดอาตมานี่ยใครไปก็จะเห็นเป็นโคกแต่ทาไมเดี๋ยวนี้มันเฉียวพัฒนาฮะไปดูเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเป็นหลุมยังไงพระเนเนี่ยพาคนขุดต้องอบับาจิตีพี่ซูขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องฟาิตีไหม่ตผู้ใดก็ต้องก็กานขุดเองมันเลยปาจิตีซือๆว่าได้กินพระจะไปกินผไนผ ย, ยอมเพื่อพัฒนาขุดดิ้นขุดเอาขี้หินแหออก ให้วนับถือเสริมเสิมกัญญาเพรามันเราจะทำให้มันดีให้มันเขียวให้มันงามเอาขี้หินออกไปเอาดินดีๆมาใส่เอาต้นไม้มาปลูกต้นตะเคียนมันบูถึงกันดอกกระพงฮดน้ําบัดเนี่ยหากมันไปได้ได้บนห้างมันพัฒนาลายเดี๋ยวนี้ง่ามเขียวปั่นยังเห็นโบราณถ้าหากมันดีร่าต้นเอียงง่ามเบิ้คนโบราณในอีสานนี่เมื่อกี้เราไล่มาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยา มาจนถึงรัตนโกสินนร์เ น, นกันทางวัตถุสุขโขทัยอย่างเน้นกันทางธรรมอยู่พอทางอีสานเนี่เกือบไม่มีทางวัตถุเลยเน้นไปที่ทางธรรมในการพัฒนาจิตใจหลังจากนั้นเราดูในหนังสือเก่าๆของเราเราก็จะได้พบเีตุอย่างสถาบันทั้งสามเนี่ยเปรียบพุทศาสนาก็ดีชาติก็ดีสถาบันมหาการศึกษาก็ดีเขียนไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นคําว่าชาตินั้นปุลเปียบใดคือดังชิ้งกาย ศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เฉียบยั่งดำลงไหวมหากษัตริย์ดุนปานหาให้สายง่าเส่นประสานสามารถขื่อแผ่สารประสานไหวทั่วขี้คนบ่มีศาสตร์เปรียบได้โดยดังตีนเมื่อกุศขันบ่มีศาสนาคือจังหัวศีลกุนคือจังตาลตายด่วนอ้างพ้นเทศจนทนหาบะเลื้อเครือบะเกี่ยวจูนได้ตั้งแต่ลําพอจะฟังถูกนะไม่ตรงแปลก ถ้าไม่มีหัวใจมันก็ตายหัวใจหยุดเต้นอ้วนแค่ไหนก็ตามมีดูดีกิน ด, ดีแค่ไหนมันก็ตายแต่ประสาทยังทํางานแต่มันไม่สมประกอบปั้มปั้มเปอรเ ป, เป r. ก็ไม่มีประสิทธิภาพถึงแม้ไม่ตายผู้ศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เฉียบยั่งดําลงไว้ถ้าหัวใจหยุดเต้นประเทศนี้บ้านนี้ก็ล้มละลายอีกเหมือนกันคือศาสนาหมดบ ท, บ, ท, บ, ท, บ, ทบาทในสังคม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 ท่านจะไปบ่านเนือโคฝากหอเขาข้ามเจ้าอยู่บ่านโอฝากจังหันพร้อมทั้งของภาเทศแกมูสังข้อจางเข้าหากเป็นพี่น้องบ่านหนึ่งเมืองเดียวกันงามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันไดดงามเมื่อมอดละนั่งโมวยโฮมกันเมียนขาดทรงสวยซุ้มจูดพร้อมสะการให้ทรงถึงไอ้หน่องเอ้ยแมนไปทุกหยากให้เข้าหากแม่นน้ำคนแมนสืรอลูกหรือจนกระเพิงผ้ากันแดด เคยจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจา้าสมานเขาให้อยู่เย็นแม้นสถูกหักให้แต่พ่อได้อยู่นั่งกันคนนั่มีสินถรมหากอยู่นั่งกันแบงคนบ้านพีนี่บ้านน้องปองดองหักแกนถึงงามถูกหักแขนเข้าวานเอินซอยกันเห็นไหมนี่คือสังคมในอดีตคือความเป็นอยู่ด้วยกันด้วยสินด้วยทำสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเอาเราที่นี่มาถึงสมัยปัจจุบันที่เรากำลังมองถึงสถานการณ์ของขุสสารนายุค ป, ปัจจุบัน พอถึงยุคล่าอนณานิคมของฝรั่งฝรั่งยกครือออกมาล่าอาณานิคมประเทศต่างๆทางตะวันตกของเราพม่าศรีลังกาอินเดียขึ้นไปจนถึงถูปานถูฐานเนปาลทิเบตไปจนถึงปากีสถานไปมุ่นเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทางตะวันออกของเราลาวเวียดนามเขมรเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสประเทศไอฟรเล็กๆอยู่ตรงนี้ ไม่เป็นเมืองขึ้นที่ไม่เป็นเมืองขึ้นนั้นเราอาศัยพุทธศาสนาเป็นส่วนช่วยได้มากเลยในในสมัยที่พวกฝรั่งล่าอาณานิคมต้องนี่จะเป็นจุดแยก่วยฟังให้ดีท่านที่เป็นปัญญาชนท่านจะเห็นด้ว่าจุดแยกมันอยู่ตรงนี้พวกฝรั่งล่าอนาณาณีผมเนี่ยประเทศไทยก็ได้มาปรึกษากันในยุครัชกาลที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาเนี่ยเราจะมา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 ถ้าสามอันนี้เราเลือกเอาอันใดอันหนึ่งเราใช้ได้เราก็มาเลือกเลือกจะเอากองกําลังนไปยันกับพวกฝรั่งไม่ได้เขาเก่งทางเทคโนโลยีเขามีปืนพานหน้าไม้ดีกว่าเราก็เลยเลือกเอาสองอันหนึ่งดำเนินการทูตอย่างทันลูกทันคนไปเชลเลนซัมบันดไมายตีครบทั้งอังกฤษครบทั้งฝรั่งเศสครบทั้งโปรตุเกสที่มีอํำนาจเดี๋ยวมันจะครบสื้อไว้ขู่สิงฝรั่งเศสจะเอาย่านอังกฤษอังกฤษจะเอาย่านฝรั่งเศสมันจะต้องตีกันให้มันยากกันหงน เคยใช้ระบบที่ความฉลาดอันหนึ่งแล้วอีกอันที่สามเราเลือกตัวสุดท้ายกับตัวที่สองอันที่สามจัดระบบสังคมให้ ท, นทนันฝรั่งทันฝรั่งยังไงรวบอำนาจจากศูนย์จากศูนย์กลางรวบอำ น, นาจจากทั่วไปเข้าสู่ศูนย์กลางจังหวัดสกลนครแต่ก่อนไม่เรืขึ้นกับกรุงเทพในความพนมอุบลต่างกับปกครองกันเองอย่างนี้ปีหนึงก็เอาสวยเอาอะไรไปถวายดอกไม้เงินดอกไม้คาไปกรุงเทพนะสวามิพักดนะ แต่แล้วก็ปกครองกันเองกัเฮติจังไรกัเฮติโพไดเฮติโพนี่ก็ข้านั่นเองไม่ต้องมีส่วนร่วมกับทางกรุงเทพในการปกครองแต่ช่วงนี้เริ่มจัดระบบ ก, การปกครองเรียกว่ารวบอํานาจให้ไปขึ้นต่อตรงรรศูนย์กลางเซนตันออโตลิสิอานาจจากศูนย์กลางยึดเมืองนั้นเมืองนี้ทั้งหมดไปขึ้นต่อกรุงเทพแล้วส่งเจ้าเมืองจากกรุงเทพมาปกครองเป็นเทศาบาลทุนนันท์ทุนนี่เจ้าเมืองสกลนครเจ้าเมืองนครพนมเจ้าเมือง อู่บนสัปสิทธิ์สองยังสงมาจากกรุงเทพทั้งหมดนั้นคือทําตัวให้เหมือนอังกฤษอังกฤษที่มันยึดเมืองตัวไปเนี่ยรู้ฝรั่งเศสทุกเ <c oughs> มืองก็เป็นบริเตนคอมมอนเว a ล์ออฟเนชั่นเป็ น, ปนจักรพรรดิของอังกฤษเป็นเมืองขึ้นแล้ว็วาอางี้สกอก็เป็นเมืองขึ้นกรุงเทพอะไรไหเอาวหลับเป็นอันว่าเราพูดด้วยความเร็วสูงเพื่อประหยัดเวลาเมืองเป็นอย่างนี้ปั๊บการศึกาษาต้องให้มันหันฝรัง่งส่งคนเราไปเรียนเมืองฝรั่ง จบจากเมืองฝรั่งมาแต่ก่อนต้องไปลงเรือไปจบจากเมืองฝรั่งมาก็ไปเน็กผูกเน็กไทใส่เสื้อมากันมาเลยจบจากเมืองฝรั่งมาปรับการศึกษาแบบฝลังสังคมแบบฝรัง่งเพื่อไม่ให้มันน้อยหน้าประกาศทูเท่าทั้งหลายห้ามเปื่อยเอิบไม่ยิงหาเสือมันลุงผู้ชายคือกันการเก่งแต่ก่อนลุงผ่ากระเที่ยวนุงผ่าจูงกระเนบนบ่อเอาเจ้าต้องนุงแบบฝลั่งไปตัดส่งข้ายามมันลุงเอิบว่าส่งฝรัง่ง ว่าเขาเป็นว่าส่งขาลังบาดส่งขาลังส่งขาลังส่งกันหลังเพราะแต่ก่อนเราไม่นุ่งกับเกงพวกนี้ทั้งหมนี้เราจระบบให้กันฝรั่งทั้งหมดเลยแม้แต่การกินูเาเียวมาตัดเครือโคิมันห้ามมันทนั่งั่งเขาหัวลอกเขาดููกแม่โกาขนาดย่ักันได้ดีกวาุกอ่างไรตบกันไปตัดเครือคว่าในสมัยนั้นตัดเครือดิงห้ามเียวมาตัดันลกาคนผู้มีลูกดกได้กไรัน เพื่อที่ได้มีพลเมืองช่วยชาติไป ต, ตีกับฝรัง่งไม่ฝรั่งไม่ดูถูกเดียนี้เด็เดคุมกําเนิดมึงควรรังกันแล้วการศึกษาเนี่ยสําคัญมากเลยจากการการศึกษานี้เราไปเอาทั้งระบบชีวิตระเบียบสังคมเมืองฝรั่งมาหลังจากนั้นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบอะไรไปทอดแบบมาจากฝรัง่งเมื่อ ก, การศึกษาที่ไปเรียนมาจากฝรัง่งแล้วก็มาจัดระบบการศึกษาแต่รอเรียนในวัดพระเป็นคนสอน คนที่จะอ่านหนังสือได้ต้องเป็นนักบวชบวชเรียนเขียนอ่านเมื่อ น, นักบวชรู้แล้วนะี่นักบวชจะสอนชาวบ้านแต่ก่อนชาวบ้านเชื่อพระมากบ้านเมืองสงบลมเย็นบัดนี้ชาวบ้านไปเรียนเมืองนอกมาจากระบบการศึกษาเอาโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนยุดวันวันพะแปดคำสิบสี่ค ำ, ส, ส, คำสิบห้าคำยุทธหิห่งยุทอย่างซาลามันเบวบางเพราะไงไม่ไงคือมาจําสิน พเนียงมีไสิมาทำบุญในวันพระหลายๆหนเล็กน้อยเศร้าสกปรกละเมื่อเขื่อนหยุดนี่ของเราอยู่วันพระฝรั่งเขาก็อยู่วันพระเหมือนกันวันศุกร์วันอาทิตย์วันเสาร์โตวันฮอลลีเดย์คือวันพระเขาศาสนาคิดไทยเอาไปเรียนเมืองนอกฝรั่งมาเอาแบบฝรั่งบัดบอยุดได้วันพระเฮาบาทเนี่ยปักวันศุาร์วัอาทิตย์เป็นวันหยุดว่าทันโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในวัดวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรม วัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคังพัสดุวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างวัดเป็นโรงมหาลศเพียงอย่าวัดเป็นโรงเรียนเด็กน้อยมันเรียนนี้พระเป็นคนสอนพระน่ะเป็นคนสอนชาวบ้านเป็นครูวัดเป็นโรงแรมไปค้าขายไายมือเอาเกียนไปเอาม้าไปคําใสไปนวลวัดโลดเห็นวัดเสม็ดเงินเจ้าของโรงแรมที่ไม่ต้องเสียเงินสวัสดิการดีที่สุดในโลกมือเงินเศ้าจกเขาวัดกินยาเพนกินเขานําบัดเองมือแรงไปหาขอในบ้านบอได้ซื้อ นี่ยงไหนมันจะเลิศเหมือนประเทศไทยทางจิตใจขนาดนี้เรียกว่าวัดเป็นโรงแรมวัดเป็โรงพยาบาลที่แคปต่อเป็นงด ก, กัดคางอุมอุมอุมอุมอมอมอมลงวัดยังคูมีหวานอี่อย่างไงออกลูกแห่ไออกวัมมนมลยังคูกันมาสะเดาะแห่ผาบาอีกล่ะเป็นผดุงคันไปในตัวเถ็เบิ่อหนูแต่ก่อนมันดีาด น, นี้วัดเป็นอย่างนี้คาที่ปว่านปูยายานางไว้ั ด, ดปนโรงพยาบาลแล้วนะวดศาลอาญา พอมีผิดกันสัมพันธ์ทำไมตีตีกันหัวล้างข้างแตกประจำเดือนออกข้าหัวแดงใจวายยังเถิดครเอาสิหัวขาวเศร้างอโงมาวาฟังต้องต้องสิป้ากันไปมลยาครูขึ้นมายาคูขึ้นไปโอ้ยพะกันมาขับทั้งสองเศร้าสลาเอ้ยหายคนที่ดีคนเถื่อหักกันหนั่นจังหวานจังซื่ตั้งกันแล้วมันคืนมันข่มันักพร้อมกันจังได้แต่งงานกันจังได้เอากันขันสั่งทองกันไม่ได้ป้ากันได้อ คอถอนแนมือหักมือแห้งกันลูกกันรับมือใหญ่ยยกลหนาบานบตนบเปนเลนเพื่อนดอกหน้าเศ <Hey, S 1> ร้าสาหัดีใจหลายบ้านในกาพระเนาทะเลาะกันกันเลิกดีนกว่าเาบาเห็ น, หนาอาญาพชต้องเทียเดนไเดนนาเจ้าได้หลายอยดงของเจ้าอยู่จามาปูกายยังกให้ห้วันือกันแบกกระจกสึกฟันหัวกันกา น, นั่นผู้ใหญ่บ้านทิ้หัวขาวสาวหัวงอูดไม่ลงเ อ, อ่ย ม, มนครูมา อ <Hey, S 2> ในฟั่งปันกันให้สเสมอเดียวกำเกิงจัให้นักเพลินพี่เบาผนบาปที่น้ำลาเอ ي, ๋ยบม่ได้อนแผ่นดินมาเกิดดรอกตายแหล้วกสินนี้จากขันท่าเอยสูสิมันคดคดงอๆลูกเต่าเกิดมากกับสิพิษกันให้ติดผ้านาติดแดนกันลาเอ ي, ๋ยไปเอาเสื้อเมื่อคร้งโลดมันซื้อขิงนี่งจังสิโลกเต้ามา ก, กสิบพิกันเอเมนมนดยนี่ว่าสัเกตเอาเลหลดเรียบร้อยสบายเห็นไหล่ะ วัดเป็นศารอาญาวัดเป็นคังพัสดุสิแป่งงานขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงหลงุมอยังมาขอถอยบวงควงจองดูวัดเปิดลเขากะบากสากระเบือมีพอ่อมเต้นทุกอย่างของบ้านวัดสมัยก่อนหลังอย่างนั้นยังไม่พอนะหลังจะเป็นคังยังเป็นโรงมาขอรูศพด้วยไปบังมาลมือวัดผ่านวาระนี้เอาบุญกระถินบุญพระเวทบุญ น, น่อยบุญไงบุญไก่บุญ ก, กาบุญสลองสลาบุญปั้นเขาจีฟังบาลมือสลีหัวแปรบ้านห้องไรลงไปวัดเธอเเปิดอาลาลงวัด อยู่วัดทั้งนั้นสามาัยนั้นวัดเป็นทุกอย่างประชุมกันชาวบ้านกำนันพุทธบ้านพบกันที่วัดแต่พอเราจัดระบบการศึกษาแบบฝรั่งปับ๊บโรงเรียนออกจากวัดโรงแรียออกจากวัดตั้งโรงแรียขึ้นไผ้สุมนอนบัดบัดโรงพยาบาลเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรออกมาจากวัดนี้ออกจากวัดบัดบันนี่เป็นยังไงบัดนี้สารอายาสารทุหลงปูอนุมันก้อนเนื้ออยู่น้ำหล ง, ลงลน้ารันหลายๆ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 สังชาวบ้านทำอะไรได้พระเาองคนเสือัดไปก่อนันขีขาเสญาวัดะันตีกองตงเติงตงต้ไแบเสีย ล, ลับันม า, มาัาให้ฟังเรื่องแล้วหนุ่มไก่หน่อยอตีเต่าเล่ในอดีตการเอกสมิงป น, นสมณีกีรดังใดนี้มานียังมีแล้วโตวหนึ่งเขาไปหนุ่มไก่หน่อยอยู่ในวัดหลวหนุ่มไก่หน่อยได้กนอยไปได้ญาแห่งแไปิ่มนอกวัด แล้วตัวนั้นตายไปพระสันได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เทวโลกก็มีแลว้วพระสันพอจังสันส า, าสาปุริสาทั้ง้ายจงไปเสหาวัดถิมันแตกเอเติดเดาัแบกเสียมบหาบ ส, บสบลงวัดหลวงเขายเลเป็นเทวดา้แล้วบาดนี่เขาบ่อือเานเขาไปเรียนเมืองนอกมาแล้วจะไป ต่สม่าซาทโพะฉะนั้นตุไปได้ยาวัดเด้อตัเสียหามันบุรีบว่าเสืหา่อบีบเพื่นผนนเฝ้าอยู่เห็นอย่างนนเวียนโกนทาดดูเขาวาบัดแมนของเขาอีกไหลดังนั้นหลังจากนั้นสมัยก่อนพระพูดอะไรคนเชื่อกบบบาบบบบาปเรียกว่าตัวคนทุกข์ให้พ่อเล่าเขาตัวผู้เถ่าเขาวัดจำสินบบบาทีี่ยังมาอาศพสมัยก่อน อย่าไปดูถูกพ่อแม่ว่าท่านทําผิดแต่กี่มันบ่มีหลายปานนี้ปีหนึ่งมีสิบสองเถื่อฮีสิบสองแตยังบวชครับํานามันอึดเข่าอยากป่าได้ได้บุญพระเวทหันบุญกระถิ่นหันจ่างมะลํามาลําคำมอลํากระถิะะะ่นก็ควจะลํากันบุญกรินนี่ผู้ได้เหตดกรแหดแล้วได้อานิสงส์ยังไงอานิสงฆ์หามาติกาแปดเป็นจังไรกระถิ่นบือกระถิ่นเน่ากระถิ่นเต่ามองเป็นยังไงไปฟังหมอลาก็ได้ความรู้จากบาปบุญคุณทั่วขันหมอลําำมูสมัยก่อนพระเอกเป็นฝ่าายทํ ส่วนพยามานก็คือฝ่ายอาธรรมเบิงล้วก็อยากเป็นพระเอกอยากมีสิ น, นีทำมือเคือ้มือนีบหมอลำ ม, มัวสันวยเบิงบักสอชั่วโมงยัง่อกเป็นหมอลำ ม, มัจักจังไฟไฟแสงสีเวบบบบอร์ายางื่อมมาบ่ได้แกผาเต้นตะกนยองคบั ง, งออกมาว้าสปีดมดีแคมจะเป็นหายคนเบิงเต้นตะกนยองคอบังออกมาบานต้องมันยังจะพากันเป็นเบิงดีเท่าไละ่ะปีเสนาคนเบงิงผอมเสือผากระเฮ็ดวันแล้วขาดจำเอามาหนุงไป ชื่อว่าจางใดมันทําลายสมัยก่อนนั้นเป็นโลมหรสพทางวิญญาณมอลําก็ลําเรื่องศินเรื่องธรรมกลมเกลวิญญาณให้สงบให้รำงับให้รู้จักสินรู้จักธรรมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีโลมหรสพทางวิญญาณมีแต่โลมหอรสศพทางกิเลสเอาหนังเข้าวัดเนี่ยอาจมาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเอาะะมัละโมเข้าวัดเหมือนสมัยก่อนท่านเอาเข้าวัดเข้าลําเรื่องสินเรื่องธรรม เรื่องพระเอกนางเอกเป็นผู้มีสินมีธรรมแต่เดี๋ยวนี้โวยมีแต่ส่งเสริมกิเลสถ้ารักกันก็แก้ผ้าออกมาไล่กอดไล่จูกันโลดอยู่ในจอนั่นขันสั่งกันก็ชากปืนออกมาไล่ฆ่าไล่ฟันกันโลดให้อภัยกันไม่ได้ปุ๊กมันขึ้นมาฆ่าเหมืนว่ารับจ้างตายวะสันตามล่าสามหมื่นไหมวะสันแค่นี้ต้องทำราคาบนจะให้มีเหลือเป็นแต่คนเดียววะสันเด็กหน่อยหัวทอกันปั่นได้ไหม นอนกิ่งขล้อขล้อมันเห็นในหนังแต่นหน่อยมันสืเป็นโจรหรือจะเป็นพระเอกไม่ทราบได้เคยจังไรบัตรนี่คือการศึกษาแบบฝรั่งเข้ามาพระสงฆ์องเจ้าหมดบทบาทสิไปสอนไผ่ผาบาัตรเนี่ตรงนี้เป็นจุดหัวเรื่องหัวต่อแล้วนะช่วยฟังให้ดีพระสงฆ์องเจ้าเขาเก็บตัวอยู่ในวัดเมื่อเก็บตัวเขาจะจับโอไปเฮียนแต่ใ น, นทำตีทำโทรทำเอกแต่ก่อนนะทำโทนี่ยังไปสมัครเป็นครูได้นะ่ทำเอกไปสอบครูมูลได้ เยวนี้ก้าวประโยคเขาก็ยังมองข้ามเองว่าไม่มีกูดบินอะไรเลยคําสอนทางาศาสนาแห้งไม่มีผู้อยากเรียนบัณตั้งโรงเรียนบานลีขึ้นมานี่ร้องเลงไม่มีใครอยากจะเรียนเรียนแล้วยังมองเห็นว่าวิทยาฐานะการศึกษาทางนี้ใครจะรับรองให้ ท, าทาหาํางานทําการมหาตั้งโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยสอนทางโลกระดับหนึ่งสองสามมีเขาเรี้ยงบ้เจ้าบันดงหมาไฟลองให้อาจารย์มหา มีที่ดีตั้งโรงเรียนปลายโลกระดับหนึ่งสองสามมีอีบัเขาเลียงร้ายพ่อจะมาญยาิกระเทียนเฮียนเสร็จล้วก็ซิกได้บัตนี้ซิกไปใสบั่นไปทำงานแล้วทำงา น, งานไปเป็นครูบ้างเป็นตำรวจเป็นทหารบังบอกขวัตจักรเื่อได้บัตนี้ยเขาวบวชบนพวแห้งหรือหูจักพวแ ห, ห้งหลละวันันคูสิเทศ่นเชิญพวกครูมาฟังเทศัคูไดเคยบวชก็นันจะเวทเขาก็เทศเป๋นอดภายหันเินยาคููพอสา น, น, นันนี่คือเอาความ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 หาอยู่หากินบะกุ่มซบกุ่มปากแล้วเมียไรหนีขี้ขานตายหลายงไปบวชมาสันเรงโลกเรียงเมียบะกุ่มซบกุมบก่มปากยอรลยเด้าันวัดบ่นั่นก็ห่างดได้่วาวได้เสียเท่นน้เพิ่มอ้อมาก็ไปบวชบาสื้าจะไไปบวชกลายเป็นคนที่เป็นคนล้าหลังในสังคมการบวชสมัยก่อนพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้นาทางจิตใจทางวิญ ญ, ญาณเป็นผู้นำทางความรู้แต่บัดนี้พวกที่เข้ามาบวช เป็นคนล้าหลังในสังคมความรู้ทางสังคมก็ไม่ทันได้แต่จบปอีธรรมดาแล้วกะ็หาอยู่หากินบกุ้มซบกุ้มปากแล้วบางทีเป็นไข่ปัวบวเศร้าไปบ้าไว้ได้บวชแก็ชี้ไข่ไข่ว่ยได้กินดีกว่าอยู่เฮือนเนี่ยพออยู่ต่อไปก็มีบานเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นปัญหาที่สุดคนโบราณก็เลยเขียนไหวบันในยุคนี้เขาเขียน ว, ว่าข้นสิพ่อใจส่างสมผ่านเฮืองหงเขตหมู่สังขเจ้าสิงที่เศร้าซึ่งูุน คนจะพอใจทำบุญในยุคนี้ยุคที่จเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางไฮเทคเนี่ยเพราะว่ามรดกมรดกทางธรรมพ่อแม่เคยนับถือศาสน า, าพุทธยังสอนไว้ยังเชื่อในหัวจิตหัวใจผู้เท่าบางคนคนหนุ่มบางคนที่ยังไม่มืดม่นจนเกินไปก็ยังเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีทำบุญได้ขึ้นตะวันทำบาปตกนรกยังมีความเชื่ออยู่เรียกว่าไออุ่แห่งผู้าศาสนายังมีมั่ง ก็ยังเชื่อแต่ในความเชื่อนั้นบย่ยากบวชเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีรถเต๋งขี่มีรถจีทแอร์ขี่เรามีมอเตอร์ไซค์ขี่มีโทรทัศน์มีวิทยุมีอะไรต่ออะไรบวชแท้ยังเ่ทำบุญหนะทาทำบุญยิ่งใครรวยมายิ่งิดมากเออชาติหน้าก็มีพระเอกสนองกันยังวายอยู่ไหนตายเรากันยังไปเกิดดูยิ่งเห็นยิ่งซื่อเฝ้าทำบุญหนาะเขานก็ได้ทำมันได้หลายกว่าเก่าว่าันเนี่ย คนโบราบณบอกข้นสิพ่อเจสางสมพ่านเฮียงหุ่งศาสนาลวงเขาต้องพ่านปีปลายเศษไปแล้วเนี่ยสองอยูห่องเห็นแก่หยอดทำหาซิยังเหลือหน่อยในคลองผู้ทาวาัดส่วนหลายไล่ล่าถิ่มคลองต้งป้าปล่อยวิ่งถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงพอได้อหูหอมสิตัวนายเหตุพอมันคือคอนี่ที่นี่ขนสิพ่อเจสางสมพ่านหงุ่งหเหตุบูสังขเจ้าซีที่เสาเสื่อมสูนในช่วงนี้เอาแล้ว สุ่มหนึ่งหนึ่งขอให้เขาครับเรานับถือพ่อได้สัวเหตุจังใดเขาจะเสือเห็ดจังใดคนจะไปวัดข่อยเลยหลา ย, ลายไปทำบุญในข่อยเยหลายฝันจังใดแน่พยายามขึ้นทำน้ำมนต์ยังไงจึงจะสักจิษเหตุกระตุ้ดโทนไปพากันไปเห็ดพวกโตมนั่นจะมีเหตุมาเป็นก็ไปซื้อแบบมหัสเขียนตัวอมได้ผลกะงองตารง น, งงนะมะา พ, าพานะนโมพุท ธ, ธายโมะวิมุตยานโมะวิมุตตานังฮัดเขียนอ่านได้หรอกฮัดเอาจิ่อจ มาให้เสิเติมบาตรนี่องค์นั่นเก่งวันนี้ไปเติมซื้อรถใหม่ไปเติมเพื่อสลิงมงคนพูดถึงตอนนี้ขอปองอ ბ ัตอดามาบวชมาเนี่ยยังไม่เคยเติมเคยจิ้มใครน้ำมนต์ก็ยังไม่เคยทําแต่เคยทาํามาครั้งหนึ่งดับมนต์แล้วก็เติมครั้งหนึ่งฝรั่งซื้อรถซื้อรถไปใหม่ขับกุเลงกูเลงออกไปจากห้างไปเจออดามาพอดีโออเป็นโชคดีว่ะพูดรักฟอร์มีวะท่านโชคดีข่อยเห็นพระวะท่านนินมอนต์อาจารย์ขึ้นไปทรงที่วัดฝรั่งเยอรมัน เคยไปบวชก็อดมาอดข้าวสิบเก้าวันสิบแปดวันอดข้าวอดบุหรี่คนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วไปเจออามาก็ดีใจโชคดีวันนี้ได้เจออาจารย์ขอไปส่งอาวุนที่ไปส่งแล้วกลับไปหาเมียเมีนอย่างงมงายคนไทยเนี่ยไม่เข้าถึงหลักธรรมส่วนมากอาไปเติมอาจารย์นั่นอาจารย์นี่หลวงปูดง่ดังๆไปเติมมอยไล่ขยายเลยผลวนี่ไม่สบายใจต้องไปให้อาจารย์ชั้นเติม My m a s t e ตอร์อินบ้านแพทย์่นอาจารย์ข่อยอยู่บ้านแพทย์่านไปเติมมาอาจารย์ข่อยจังดีพระ่นเมีไปเติมที่อื่นไม่พอผัวจะเติมใหม่ก็เอาขันห้ามาใส่รถมามีเครื่องเติมมาด้วยเออมาถึง ม, มากาบมามาจะมาเติมรถอาตามาบอกเติมทำไมฟอกูลักฟอรชามเอเมเพ่นเพื่อให้มันดีให้มันโชคดีบ้าฝรั่งก็โ ง, ง, ง่ขึ้นมูยุนโนี่ท่นอาตามาก็เลยมาจะเติมให้หนี่ เอามาเต็มไปภาษาฝรั่งเลยไรคฟุนนี่วิสมาฟุนน o ่ดันต้องเป็นคเลสภาษาฝรั่งบราโวภาษาอียิเศษวิเศษภาษนฝรั่งวานแต่ว่าไรคฟุนนี่บอกขับด้วยความระมัดระวังไรคฟูนนี่วิสมาฟุนน่ขับด้วยความระมัดระวังมีสติสัาามปชัญญะดันต้องเป็นแคเลสอย่าประมาทรถ บอกกำลังมาลดนี่จอดตากแดดแม่แรงของโฮมเองได้บอกแดดเผา ห, หัวของโมได้บวลด์บวได้แล้วเวรฉันมือมันแรงไปหาเหยี่บคนเองได้บลร์ดนี่บวรฉันมันไปนพนขับต้องเจิมหัวคนีจะไปเจิมยังพนคนมีนมทมีมีสติสันไนะอันนี้นหายพระตัวเกนอเอจงหงจแงงนะมพระโมพุทธายาเทกุงเทพเหรถทัวคว่ำสองคันลายข่ายใหญ่แต่ละคันก็ได้คนเจิมทีมันนอนตีแดีแหนเพราะั้น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 ส, ส่งเสื้อ้ากันถิ่มวิเนยป้าปล่อยพระวิเนยถือแต่น้อยพ่อเดือดหูหอมเรื่องเข้ามาบวช ด, ด้วยความผิดหวังไม่ใช่ผิดหวังคือล้าหลังผ้ายเทก็เลยเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เลยช่วยโอกาสสัตบบเุตรในสถาของคนที่เลื่มใสให้จังไรเขาจะทําบุญก็เอามากมากขึ้นสร้างกูมิวเบมากับมีรถเก๋งขี่มีอะไรขึ้นมากขึ้นได้บาทเนี่ยถื้มีพวกหนึ่งผิดหวัง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 แต่ไม่รู้ภาษาบาลบาลีอะไรม่นสนใจทั้งนั้นเอาไปมาภาษาบาลีไม่ต้องพูดเอาภาษาไทยล้นๆตีวความพระไตรปิฎกเอาเองแหละเทนี้พวกนี้นมาแข่งวันนี้แข่งสุดเวียงเลยเรียกว่าแข่งจนขั้งอีกพวกหนึ่งมาด้วยความล้าหลังจากสังคมมาห่อดจนยานเลยฉันเศร้าก็เองฉันเพลนแล้วก็นอน ตกเดินมาดูหนังดูละครโทรทัศน์ตัมน้ำ ว, วันเสาร์วอาทิตย์หัวจุ่มซ ก, กันเจ้าจะเอามุมแบตัวน้อยขอเอาคนในมุมแดงผัดมาระคนนี้นะฮี่พวกนี้ย่อนจนยานคือพวกล้าหลังในสังคมใครซิบออกไปจะหาเงินมาได้มาได้ตอนนี้บวคนทำบุญแล้วนี่ยากได้เขามาทำมงไดเาทให้เอาอย่างี้มันก็เลยเกิดยุคยุคยุคนี้เรียกว่ายุคหัวเียวหัวต่อ ยุคเทินนี่ปล่อยขออภัยผู้ภาษาฝรั่งว่ายุคกลับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองพวกที่ผิดหวังในสังคมพวกผิดหวังส่วมากเรียนทุกสูงมุ่งหวังใหญ่โตมากแต่ทําอะไรไม่ได้ดังใจถูกกระทบกระเทือนด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆหันไปหันมาเห็นศาสนา ส, นาสอนในทางอย่างนี้เออเราเข้ามาทางนี้คนยังนัดถึงศาสน า, สนาพอเข้ามาบวชปั๊บเข้ามาบวช ก, ก็มาศึกษาหน่อยก็แหงแต่พระอื่นไม่ดีทั้งนั้นพวกนี้เคยไปสุดเวียงรุนแรงกันแล้ว ตนเองก็เลยสมาทาเอาสุดเวียงรองเท้าไม่ใส่เงินไม่เอาเนื้อปลาไม่กินกินมังสวิรัตคนอื่นเป็นนักเป็นมารเมื่อบาทนี้เอาแล้วาบาทนี่ตีพระธรรมวินยัยพระไตรปิฎกไปคนละทิศละทางทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์อันเนี้เริ่มเกิดขึ้นหนึ่งพวกหนึ่งหย่อนไปจนหยาดพวหนึ่งเคร่งจนข้างแต่ความถูกต้องไม่ใช่หย่อนจนหยาดไม่ใช่เคร่งจนข้าง แต่อยู่ที่ความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาไอ้ความพอดีที่ไม่เข้าข้างทั้งแข่งไม่เข้าข้างทั้งย่อนเป็นอย่างนั้นทีนี้เรากําลังจะหาคนที่พอดีสร้างความพอดีอย่างถูกต้องจะต้องมาแก้ไขทั้งแข่งจนข้างและหย่อนจนยานทีนี้เรื่องราวมันไม่เป็นอย่างนั้นตีความกันไปทั้งฝ่ายแข่งจนข้างและฝ่ายหย่อนจนยานก็แตกกันเป็นปกเป็นเหล่าเป็นหมูเป็นคณะปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นทีนี้ฝรั่ง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 เขาไม่สนใจถ้าไปบอกว่าพระเจ้าอย่างน้อย น, นี้อยู่้ยก็บอกก็ว่าสิเบธอเลดดี้พระเจ้าตายไเแล้ววาฉันพวกฝรั่งสมัยใหม่บอกเส้อว่าพระเจ้ามีหรอพันเอาไปเอามาหันมาศาสนาพุทธศาสนาพุทธซึ่งนักวิทยาศาสตร์อย่างอันเบิ e i n s อ e i n ก็เคยเขียนยอมรับเอาไว้ซึ่งโลกยุควิทยาศาสตร์นี่หนีไม่พ้นนีไม่พ้นศาสนาพุทธ อย่างไอเบิร์ตอันเบิร์ดไอน์สไตน์ที่เป็นผู้เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่สร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมานั่นดังๆแกบอกว่า the religions of the future will be caused by religion and it s h o u t h t r a n s c e n d a person and god and avoid dogma theology ศาสนาในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นาศาสนาสากลจะต้องเป็นาศาสนาที่ปราศจากพระเจ้ า, าที่มีตัวตนและไม่ใช่คำสอนแบบด็อกมาแบกให้เชื่อตามต้องพิสูจน์ได้ ทางทางจิตและทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์จะมีศาสนาใดที่สามารถรับมือความต้องการทางวิทยาศาสตร์นี้สุดท้ายอันเบอร์ไอสไตร์แกบอกว่า there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism ถ้าหากจะมีศาสนาใดสามารถรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศาสนานั้นจกต้องเป็นพุทธศาสนาฝรังก็เลยหันมาสนใจทีนี่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 บัวขีแบ่บานเกิดกลางหนองพักพองนี้เมื่อพ้อนตรงใบเป็นต้นบัวห้องขึ้นหัวสวนกําบ้านเกา่าบอลเลิกสั้งเราตื่นที่ไปห่งบนเขินพวกฝรั่งไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเคยตื้นพวกเรานี่เคยรู้เรื่องคุกศาสนานึกแต่บันทบบอลเลิกสั้งเหลาตื่นไปห่งบนเขินพวกนักเรียนไทยไปเรียนปริญญาโทป ร, ริญญาเอกเมืองน่องฝรั่งถามวัสดุดิสทรียันทิชชูปรัสนาพุดสอนยังไง What about method for meditation development อันเทคนิค hmm. ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาทํายังไงตากบ่ายคุม mm hmm. ขมัดเลยขุ้นเคยเขาวัดจักเถื่อตอนอยู่เมืองไทยบทัดนี้ในที่สุดไปติดกับฝรั่งฝรั่งเขาเรียนแล้วพระไตปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกระกรณ์ลอนดอนได้แปลออกมาก่อนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งฝรั่งเรียนจบและสนใจเรื่องสมาธิเห็นนักเรียนไทยไปถาม ให้จังเดย์ท่านสอนจัเดยสมาธิวิปัสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงจา้าป่านีปานตีใส่หัวข่วยเลยบาดเห็นบอจักก็เลยคิดว่ามึงเด้อกูกลับเมื่อเนี่ยกูเสี่ยงกระขักไ้บาดจูวัฒน์พอ่อของดีน้ำของกูคนตัววันพอพวกนี้กลับมาปั๊บแหล่งที่จะให้คำตอบคืออะไรแหล่งคาตอบวัดพระพอกลับมาพั๊บเข้าวัดทีนี้ผิดหวังที่สุดเขาวัดมาถามพระบาดนี่พระบาจากัก หาห้าบอกจากเข้าเองก็ไม่เคยสอนไม่เคยเรียนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรียนแต่นักทำตีทำโทรทำเอกสอบจากใด้บไดเอาแบบไปเบิงพยงยามสอบไปโกงกันข้อสอบร่วมมาจากพวกนความเสริมของศาสนาได้ใบประกาศแดงจึง่งคึ้งไปถามธรรมวิจารณ์่าจากได้ในเอธาปัสสาธิมังโลกันจกักผมสอบได้หรืผมก็แลวเลยวาสันมันป็แมงดกมันจะมาลืมใบ ป, ป่านนั่น คณะอาตมาบ่าได้นักครรเอกยังจำได้อยู่หลักนักฉันเอกเขาขมือนี่ยียวพากเนี่ยเขาเอทองสงหูอยู่จำได้ทุาทุกวันเนี่ยอันนี้ซักสอบแล้วผมก็ลืมไปขี่แท้โกงโกงโกงโกงที่นี่มาหาคำตอบพวกปริญญาพวกนักการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งผิดหวังจากเมืองนอกกับมาหาคาตอบไปถามญาครูญาสาวบอจ้าวเด่าลีส า, านน า, าตีเตกาเลงามประเทศ ในอดีตการที่ผ่านมากี่ระดังได้ระดับมาเขากา็หาเางาเงาพอจกนอนเชอาอย่างวันสันเทิงผููเทศิงผู้ฟังมันจะนอนน้ากันนั่นเราไปจะฟังพระมีความรู้ป่อศีกับนักธรรมเอกซึ่งไปโกงโกงมาพวกโยมจบปัญญาตีโทษความรู้ทางโลกก็พร้อมามาฟังคําตอบของพระสมัยใหม่ซึ่ง ถ้าเราไม่มีความรู้ทางโลกด้วยท่านทำก็ยิ่งอ่อนไม่สามารถที่จะที่จะให้พิสูจน์ได้ทางหลักวิทยาศาสตร์เขาไม่พอใจเมื่อเขาไม่พอใจแล้วก็โชคดีอีกอันหนึ่งเขาใส่ปีดกดอกละแปลเป็นภาษาไทยจากภาษาอังกฤษจากภาษาบาลีเขาก็ไปอ่านเองอ่านไปด้วยความมันเซนซ์ด้วความรู้ทางโลกมากเออมันต้งเป็นยุสียุสียุสีเว้โอ้พระในอุดมคติต้องเป็นคนมากน้อยต้องเป็นคนสั้นโดด เอเดลชานวิชาสักกระ ม, ม, ม่่่เสกบาลรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันเป็นมอเป่าผีมอเสกหมอเป่ามอ้ามอขับผีขับสังนี่อพระไตรปิดกสอนแท่นี่คือด่าไปแถอเป็นความผิดไม่ใช่คำสอนศาสนาเป็นยังพระเขาจะไปจากสิในที่ศึกเขาผิดหวังเขาเห็นพระเราโดยทั่วไปเนี่ยไม่เป็นพระในอุดมคติที่เขาได้เรียนเขาก็ไปแสวงหาคำตอบบางทีก็าไปแสวงหาพระไปเจอพวกแข่งจนข้างเข้าบัดนี่เอาเลยได้พวกนี่เกิดกบไซพุ่น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 จากคนธรรมดาไปจงถึงเจ้าใหญ่นายโตขึ้นเห็นดีเห็นงามด้วยในขณะที่สังคมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ความเห็นกันดูอีกพวกหนึ่งลดตัวลงมานุ่งเสื้อหม้อห่มน้อยกินน้อยกินมังสวิลัตินี่ซุมนี่ยจะเป็นของดีแทบมันคุณรวม ก, นมกันมากขึ้นมากขึ้นมีพลังมีอำนาจขึ้นกลายเป็นกบเขียดหน่อยประห้องอ่านโคองสารให้แต่งูเ่าผิดเงี่อกลัวเกงหยานได้บัตร น, นี่สถานการณ์ใหม่ได้เกิดขึ้นทำยังไงใช่ไหม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 คนสมัยใหม่ขึ้นสุดเหวียงแล้วกลับมาหาศาสนาเมื่อหาศาสนานะไม่มีคําตอบที่ชัดเจนที่ถูกใจไม่มีพระในอุดมการ์ไม่มีพระในอุดมคติไม่มีวัดในอุดมคติที่ได้ศึกษาก็เลยไปเห็นสิ่งที่ถูกใจก็เอาขึ้นเอาขึ้ น, นตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาในบ้านในเมืองทีนี้ทํายังไงต่อไปแล้วก็มาถึงยุคที่เราบ่าคอนเนคชันตัวภาษาเป็นอะไรคอนเนคชันตัวยุคโค้เื่ อ, ง, อ, อ, อ, องหัวต่อ ทำยังไงเราผู้เป็นสมาชิกของพุทธสมะคมเนี่ยจะทำให้ทุกนี้ดีงามขึ้นมาจากเข้งจนขั้งชากันจนยานให้มาเป็นความถูกความต้องความดีความงามอาดมามามเห็นว่าท่านอาจารย์มหานิธิเนี่ยกับวัดที่อาดมายอมมีความเป็นอยู่เดือบเหมือนอนกันแต่ให้นี่ถ้าให้ความรู้ทางวิชาการท่านซ้อนคำตีโทเอกบาลีแต่ที่วัดอาดมานั้นวิชาการมี อาราก็สอนแต่ไม่ใช่ระบบที่เราจัดกันอารามสอนตามระบบของพระไตรปิฎกแล้วที่วัดนั้นเน้นไปที่การปฏิบัติอันนั้นคือการศึกษาอันนี้นคือการเรียน ท, ที่ที่ท่านหลายอาจจะเข้าใจว่าการเรียนกับการศึกษานี่นคืออันเดียวกันไม่ใช่เดี๋นี้คนยังเข้าใจผิดกันอว่าศาสนาในการปริยัดคือการเรียนทํำนี่คือการศึกษาการปฏิบัติตัางหาไม่ใช่ขอให้ท่านสมาชิกพุทธสมาคามต้องเข้าใจว่า การเรียนปริย yeah. ัตเรียนวิชาการนั้นคือการเรียนปริยัตินั้นกับการปฏิบัติกับการศึกษานั้นมันแยกกันการเรียนปริยัตินั้นคือเรียนรู้วิชาการทางศาสนาภาษาบาลีเรียกว่าสุกตะสุตตะพระคุณสุตะเรียนมากฟังมากแต่การปฏิบัตินั้นคือการศึกษาการศึกษาเนี่ยภาษาบาลีว่าศึกษาภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยอย่างรูแต่ ว่าตามสัญสัยภาษาศึกษาความจริงศิกขาบาลีนั้นแปลว่าศึกษาภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาอังกฤษว่าเทรนนี่เทรนนี่ต้องกับภาษาไทยว่าฝึกฝนตนเองฝึกตนการศึกษาหนึ่งคือการฝึกฝนมีศีลสิกขาฝึกทางสิงให้สิงสมบูรณ์สมาธิศิกขาฝึกทางจิตให้จิตสมบูรณ์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 ศึกษาทางปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขาเนี่ยปัญญาสิกขาให้เป็นภรวิตปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วคือรู้เข้าไปในความรู้ไม่ใช่หลงเข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในความรู้หลังจากนั้นรู้ความจริงในความรู้อีกทีนึงหลายชั้นรู้จึงจะปลดปล่อยพันธนาการของความรู้ออกมาจากการครอบงำของความลุ่มหลงกลายเป็นปหาณปริญญาปริญญาที่ปลดปล่อยตนเองปหาค่าเสียซึ่ง สัญชาตญาณอย่างสัตยธรรมดาธรรมดาการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงการมาเรียนรู้สิโยอังโยนาฮิสนังสมาหิสมมสุมาท่องกันลึงพะวิพัต์ปัจจัยอยู่เพียงแค่นี้การศึกษาจึงไม่ใช่เพียงแต่นักคำปีโทเอกถึงประโยค9้าเท่านั้นการศึกษาแท้จริงคือการอบรมสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้แกมแข้งปลดปล่อยตนเองจนเป็นอศัศเซขะผู้จบการศึกษาในสมัยพุทธเจ้าจึงแบ่งพระอริยเจ้าไว้สองประเภท เรียกว่าพระ อ, อริยบุคคลสองพระเสขะผู้ต้องศึกษาอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาในสมัยพระเจ้าไม่มีแม้คาสีโทเอกจนถึงประโยคเกาแต่ผู้จบการศึกษาของผู้ไเจ้าเรียว่าอาเสขะคือหมดกิเลสก็ไก่ฮากับปั่นอาจ่านบ่ได้พราะโตจ้อยพระ อ, อรหันนั่นแต่ว่าหมดปัญหาที่จะสร้างปัญหาแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นนี่คือการศึกษาเพราะเห็นนั้นที่วัดท่านอาจารย์มหาดีชีเนี่ย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 ไ ป, ไ ป, ไปเปะเตเห็นปุ๊บทันทีว่าศาสนาที่จะเสื่อมพระธรรมที่จะเสื่อมที่จะตั้างมั่นเพราะเหตุห้าประการจะเสื่อมเพราะอะไรหนึ่งพิสุสามเณรไม่เรียนธรรมโดยเคารพสองพิสุสามเณรไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพศึกษากับเรียนอันเดียวกันพวบัตรไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพสามพิสุสา ม, สามเณรไม่ ใกล้ควรทําโดยละเอียด4พิสุสามาเณีไม่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ทำ5พิกสุสามณีนี้ไม่แสดงธรรมให้หัดงามในเบื้องต้นในธรรมกลางที่สุดเพราะเหตุ5ประการอันนี้เองพระศาสนาก็ดีพระธรรมของเราก็ดีเมื่อมันเป็นอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความไม่สั่งมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความอันตรธานอย่างรวดเร็วแต่เมื่อใดยังมีการศึกษา โดยเคารพการฟังการเรียนโดยเคารพการไข้ควรอย่างละเอียดการปฏิบัติที่สมควรแก่ทำที่ตนเองได้ศึกษาได้เห็นได้ไข่ควรมาแล้วและการแสดงทำซ้อนทำอย่างไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายที่จะรักษาพระศาสนานี้ไว้เมื่อนั้นศาสนานี้เป็นไปเพื่อความตั้งมัน่นเป็นไปเพื่อความไม่อันตราธานเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเดยนี้แม้แต่การเรียนก็ไม่เคารพเดียวข่าวรั่วมาแล้ว ข้อสอบรั่วเพราะว่าข้อสอบยัมีขู่หัวบุญเดียวผัดบาลีรั่วบุญเดียวผัดนักทํารั่วไปสอบกันงางไปบอกให้กันอยากจะให้ได้อันนี้ม่าเป็นห่วงอันหนึ่งแล้วการปฏิบัติการศึกษานั้นการเรียนมันโกงได้ไปสอบมีนโกงได้สอบเม่อไรครูบาอาจารย์ไปบอกให้โกงได้ถึงระบบกล้ามมันยังโกงได้แต่การปฏิบัติโกงไม่ได้ การปฏิบัติโก้ไม่ได้ตีระหังไม้งงไ ม, ไม้ตีสองครึ่งเพื่อนเขาลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพล็กตนเองใกล้ชีแจงใกล้ ง, งางโกยโกยมานั่งน้ำมูกทำทาคือดึงล้วบอกกิเลสทมมดแล้วมันโก้ไม่ได้เรื่องการปฏิบัติจะหลอกลว ง, ลงไม่ได้โกงตนเองไม่ได้โก้คนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ต้องเห็นกันชัดลงไปคือการทำลายความเชื่มัน่นถือมั่นการปล่อยวางความรู้แจ้งซึ่งสภาวะทางกวง พราะเห็ น, นั้นในสถานการณ์ของพุทศาสนาทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในยุคเท่านี่ต่อ ย, ยุคที่นักการศึกษาบัญญายนั่หันกลับเขนมาสู่ธรรมที่ไหนสู่พระศาสนาแต่คําตอบให้เขาไม่พอใจและบุคคลที่จะทําให้เขาได้เห็นหน้าเรื่อมใสเป็นบุคคลในอุดมคติยังไม่มีเขาไปเห็นบุคคลที่แข่งจนข้างเขาก่อนนับถืออีกพวกหนึ่งก็เอื่มละอาบุคคลที่หย่อนจนยานเขาก็เลยไปเข้ากับแข่งจนข้างแต่ก็ยังพอมี บุคคลที่เป็นปัญญาชนของเราเนี่ยยังพอมีมากอยู่กาลังไม่เอาด้วยเข่งจนข้างก็ไม่เอายนันจนยางก็ไม่เอาอีถึงตรงนี้เนี่ยน่าอุ่นใจหน่อยก็เลยพากันศึกษาก็เลยพากันประพฤติพากันปฏิบัติที่คนโบราณบอกว่าต่อไปหนุนกบเขียนน่อยประหอ้องอ่านห้องสารเหตแตงูเข้าผิดเสียเงี่ยกลัวแกงหยาด น, นูสิ่งทำจะบ้าให้แม่บกดำกลมขาบเสื้อโครงสมาหนกหนอกไหวขะน้าเนือดมูสหมัน ต่จากหั่นพระยาถ้ำสิมาซอยหินดูหนามสิจมล่องคือเกาหมากน้าเต่าหน่อยน่วยแห่งสีฟูขื่นดังเดิมแต่ก่อนบาว่หมากน้ำเต่าหน่อยเนี่มันอยู่บงบกกลับเกิดเป็นของนักสิจมจมล่องผื่นซิลากรดกระดานหินนักหมือก็สิลอยรองหนามฟูขึ้นจังสโลโซ่พ่อศีสอยสีจะน้อยหากยองให้สีกับจองขึ่นแถมสอนปงใบไม้าจิงจอกสีได้ขึ้นนังไต่ข่า คุ้มยอดห้าไพ่พ่นทั้งไขห่หงค่ำผายเว่ยเว่ยหาเฮิร์เนกสิมนหนบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แกากาแล้วก็ต่อมาโนซิ่งถ้ำตะบะไห่แม่บักดํากลมข่าเสื้อโค้งนบหนอบไหวหน้าเหนือบูงสมันหลังจากนั้นพ ญ, ญา่าถรมสิม่าซอยคนจึงจะเกิดขึ้นคนที่ไม่เข่งจนคั่งคนที่ไม่หย่อนจนยานคนที่มีวิจารณายานมีเหตุมีผลจะมารวมกันคิดรวมกันทีม่มาแต่ก็คงหูดขึ้นคอพอสมควรเพราะว่ามันมีจํานวนน้อย ก็ตงมาทำงานกันอย่างจึงบอกว่าพญ่ า, ญาทำสิมาซอยหินไงหินฟูอยู่น้ำสิจมลงคือเก่าหมากน้ำเต้าน่อยหน่วยแห่งสิฟูขึ้นดังเดิมาศาสนาจะเจริญขึ้นอีกยุคหนึ่งหลังจากนั้นสือเสื่อมลงเสื่อมลงจนถึงยุครุ่นบาตรยุคใดยุกจะหมดเกิดอันตรธานขึ้นเกิดลิงคขอันตราขึ้นมาธาตุอันตรธานเกิดเพศอันตรธานลิงค์อันตรธาน ต่อมาจะมีแต่เสียงผาาเหลืองไม่น้อยห้อยหูว่าเป็นพระเรียกว่าโคตละหูสงสงในยุคหัวเลียวหัวต่อในพันที่สี่ถึงพันที่ห้าอย่างนี้อย่างเราอ่านกันในหนังสือสังกาามเทพพระเวสสันดรอย่างนี้หลังก่อนที่มันจะเป็นเรืงการลิงคาอันด ahkan ต่อมาก็จะมีพวกกระทงกระเทยมาบวชไปเจออีหมอเฮยนางอันนี้เวรจิเว้ากันเนี้ยเพราะความจริงน้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้บวชเวลาบวกก็ถามมากันโดง ที่เจ้าเป็นกระเทย์บอผ่าไอ้เขเป็นบวชไม่ได้ถ้ารู้แล้วใครซึ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหตุนั้นเมื่อลิงค์าอันตรธานแล้วก็จะเข้าสู่ธาตุอันตรทานอันนี้เราว่าตามดอกหนังสือหนึหาจะจริงเทชจแค่ใดก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้แล้วก็สังเกตตัวเองเดี๋ยวนี้ยุคเทอร์นี่นไปยุกกลับคืนสู่ธรรมแล้วก็สับสนแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เลยจะอยู่ในระหว่างคอนเนคชั่นไปยุคัวเลเยวหัวต่อ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 ปฏิรูปไม่ใช่ภาษาหน้า ก, การเมืองเป็นภาษาบาลีแต่ว่าเฮ็ดให้มันดีให้มันเหมาะสมอาตมาอยากจะชวนท่านทั้งหลายละ่ะปัจจีบมาช่วยกันสร้างคนปฏิรูปเลิกสร้างวัดสร้างวังกันทีเถอะพออยู่ได้เอาแล้นี่แค่นี้เอาได้เนี่ยท่านสร้างไว้ไี่พอแล้วทีนี้ดีใจอีกอันหนึ่งได้ทราบข่ า, ขาวว่าที่วัดนี้ได้ตั้งบูรณาธิภาราดวิมลวุลีขึ้นมาสามแสนบาทสาธุอนุโมหนาดีใจ ขอให้เงินจํานวนเนี่นยได้เอามาพัฒนาคนเราไม่เคยคิดที่จะพัฒนาพระเนนในสมัยก่อนศาสนาอยู่มาถึงเราเนี่ยเขาพัฒนาคนขอเราเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งว่าในสมัยพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเนี่ยพอถึงยุคหลังๆเนี่ยอย่างสังขยนาครั้งที่สามเขาต้องเฟ้นหาตัวบุคคลมาต่อสู้กับพญามานมานที่จะมาทําลายศาสนาก็เลยได้ทัพอุปคุต ที่เราไปเชิญอุปคุดโอกาสาโอกาสาวพงขาทั้งหลายภายในมีพระทรงเป็นเขา้าภายนอกมีออกตอนเป็นประธานพากันจัดเครื่องสักลาบูชาการมากกบไ้แก่พระโยธายุปคุดเถรรตนนี้ทธิวิเศษมีปรคตาแก่วกูดีกั้งนาทีแม่นำย้มาใครในพมจารียสุขาัดนีข้าพเจ้าทั้งหลายเชิญอุปคุมนันมันมีเรื่องราวนันคือบุคคลที่เขาเลือกสรรมาต่อสู้กับพญามานสร้างคนแล้วในชว่วงของพญามิินถ้าท่านได้ฟังเรื่องพญามิินเนี่ย ท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาสร้างคนขนาดไหนมารักษาศาสนาพญามิรินิกเก่งพอๆกับยุคสันติอโศกรูปปาดเปลืองอย่างท่านพโทที่รักความรูปปาดเปืองโว้ยพระ ส, สัมเด็จท่านหนึง่งจะไปใกล้เราได้บอกเรากระตุ้ยว่าพระเฉียบคมสายฟ้าพระเจ้มามิรินพญามิริมนเก่งกว่า น, นี้เก่งกว่าคนทที่รันี้จนวัดห้างไปสิบสองปีพระยานไปใส่รถซอรด ซอแกงต้อนหน้าต้อนหลังศาสนาอื่นพวกลัที่ของปูรณนะัส ป, ปะมัคคิโคสาสิตาเกสกัมผคนนาทะบุสัญชัยเวรทะบุตกรกจะหนีเข้าป่ า, ป า, ายันอบริวานบุตรจำก็ได้หอกหลายพจน์ถูกบอกมานี่ยก็ได้หลังจากนั้นพระสงฆ์ในศาสนาเราเนี่ยก็สู้ไม่ได้ผ่านเถียงไสู่เราบ ไ, ได้ลวนลวจนลพัลยองนี้ปท่ันลยอ่านสิลยออกางๆคู่พระอริยะเจ้าท่านขี่ข้าเถียงท่านมมีอัตตาที่จะเถียงกับคนมัน ่งศรีนี่นนนั่นก็ห้างานาแล้ววัดหนีหนาะยันพญามิลิมซอไปเห็นหนาเราหาถามรถในที่สวนห้างบัดนี้ประชุมกันได้บานี้พระอรหันต์ว่าเออถ้าพวกเรามามัวกลัวปุถุชนที่เก่งกาจอย่างนี้ใครจะรักษาศาสนานี้ต่อไปมันก็เละเท่านั้นต่อไปนี่ก็หมดศาสนาไปไวเอาเถอพวกเรามารวมกันมอประชุมที่ทนะถ้าลคีตเรนนะพระอัสฐคุตพระอรหันต์พูดเห่า เรียกประชุมในตานานของมิลินทะนั่นเรียกประชุมพระอรหันต์เต็มในถ้ำตัสี่ร้อยห้าร้อยเป็นพันมีเท่าไหร่เรียกมัมั่เอาเราทั้งหลายใครมีสติปัญญาเก่งกล้าพอที่จะปะทะคารมโต้วาทีกพระพยามีลินีปาบให้ลงสติมิจฉาเนั้นเราจูงกันไม่ได้นะนักบวชสมณพรมหวาดกลัวไปหมดไปใส่เราไล่ขานี้ ส, สั่มสู่เราบดได้ดปรากฏ ว, ว่าพระอรหันต์สั่นหัว โค้ยผมว่าเทียงดอกว่าสัญงคมงค์พระอริยเจ้ามันเทียงกับปุถุชนไม่ไหวปุถุชนมันเทียงอ เ, เอาแพเอาชนะผูนึงเทียงเอาความถูกความต้องเถียงไปเทียงมาสูมันว่าอะไรสี่ขันเราไม่มีอัตตาที่จะไปเถียงขนาดนั้นเลิกสามวันประชุมกันยังไม่มีใครเอาในที่สุดก็ <c oughs> เลยถามว่าในที่ประชุมนี่หมดหรือย่างมัดระเบิดเท่าเท่าที่มานเนี่ยมัดสูงคระเบิดเนี่ยมัดแล้วสัน <c oughs> มีองค์หนึ่งลูกขึ้นนั่งอยู่ในนี้วะฉันยังมีองค์นน ห, หนึ่งยูภูเหตุกาหนึ่งสมมตินะองค์นั้นไม่มาครับชื่อพระโลหณนะท่านนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติสบายรับหูรับตาเป็นนิยมพึงก็เผ็นบอกว่าซามูวาฉันโอ้พอได้พอได้พอได้เป็นความเป็นความตายของศาสนาต้องไปเอามาพระก็ไปตามมาเพื่อแม่ยังอาตจมานี่อยู่ป่าอยู่เขาเวลาได้ห่างการคณะสองเรียน ไปกลางค่ากลางคืนก็ได้ไปเพราะพระพุทธเจ้าท่านวางังครุกาสังคัสะอานาอำมาจสงเป็นใหญ่ถ้าเหตุการบ้านเมืองศาสนาจะล่มจะจม่ต้องรวมกันต้องช่วยกันท่านองคนี้ไม่มาก็เอยให้พระไปตามไปตามมาแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างเจ้าจังปมาบ้านเมืองจะล่มจะจมศาสนาถูกเบียดเบียนด้วยลทัทธิอื่นๆมามากแล้วเนี่ยท่านทําไมไม่มาช่วยกันคิดโอ้ยว่าศันผมเป็นพระผู้น้อยไม่จะเทระเป็นเทระ ผมไม่มีความรู้ความสามารถผมก่อคงช่วยอะไรไม่ได้ผมคิดว่าพัดเทระทั้งหลายประชุมกันคงช่วยกันได้ยังเก่งก็ให้ผมตักน้ําให้บูกินได้ย้อนอยู่ด อ, อกปัดตาดกวดยู่นี่ได้งุบวะท่านได้บุได้ก็ต้องมาสร้อยกันแหมมาออกความคิดช่วยกันวะท่านในเมื่อท่านไม่มาทํายังไงโหวตเสียงคณะสงฆ์ทำยังไงพระพุทธเจ้านุญาตให้ลงโทษได้แม้แต่พระอรหันต์ก็เลยบอกลงโทษผมให้รับผิดชอบตาบพญามิลิน ปาดท่ออ๋บอกเป็นตะอุกจะอ่างทางท่วงแท่อุกอ่งออกจะให้ผมปาบจังเดยในที่สุดก็ประชุมกันว่าผมไม่มีปัญญาไม่มีความรู้พระทั้งหลายก็ประชุมกันถ้าเราไม่มีเราต้องสร้างคนนี่เหมื่อท่านอาจารย์มหานิถีกําลังสร้างคนยังอารามก็สร้างคนใครไปวัดอารามไม่เห็นแม้แต่ตู้บริจาคนี้ยังคือสร้างคนอยากบริจาคคนรับบริจาคครูเรศิเอาลูกไปบวชหัวดีวดดดๆผว่าจะไปได้ ขันหัวดีๆคนจะไปบริจาคไปเป็นแพทย์เด้อบัหล่าไงมาไปเป็นแพทย์วะฉันหัวดีๆไปเป็นตำรวจเว้ยวะฉันหนังรถดีๆไปเป็นทหารไปเป็นนักบินมีบ่อหัวดีๆอ้ยอยากไปบวชนักาวาจย์สมพรได้เอปฏิบัติธรรมจะมาทิพวรรารักษาภาษาปัญหาซอยเพิ่นบ่เพื่อนดมกาวแล้วบ่เป็นบ้าปั๊มเตอะเปิลบมเต็มบาทแล้ว้ยเอาไปให้ผู้ขาดในท้ออันวะฉันวันนั้นไปเทศที่อุดร เทพเจ้ามากาเป็นสอจอยเป็นเจ้าของรถบ้านเป็นเจ้าของฟาร์มโครมมากาผมยกไปส่งอาจารย์ที่วัดไปส่งยางเงฝากลูกชายไปดูนำอยู่ใสหลลูกชายส่งไปเรียนโรงเรียนฝรั่งเดละื่ครับเดียมันเสียแล้วโวยดงกรงดงกาติดทิเนอร์เฮอนกับมลูกดีๆบมี่บ่าู้ดีๆเอามาฝากนะอาตมาถาอม่ไแตกแล้วผจริงๆเอามาให้จไบานไงอาตมาก็ยังมึกยากอยู่เดี๋ยวนี้พวกเราไม่เคยคิดกันอย่างี้ทีนี้ ก็เลยพระอรหฮันบอกต้องสร้างคนสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาป่าพญามิลินีเอาสรอยกันนี่พวกท่านทั้งหลายสาธุชนชาวพุทธสมาคมสมาชิกพุทธสมาคมตะกนอนตะครนทำถูก<ม>เรากําลังรวมกันสร้างคนช่วยกันสร้างคนสร้างให้วัดแห่งนี้มีสถานการศึกษาและให้มีทุนในการศึกษาความเป็นอยู่ของท่านพอไปได้แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้อยากจะสร้างขึ้ไปเป็นนักปฏบิบัติบ้างอย่ามีแต่นักเรียน มีแต่เรียนๆส่วนมากเรียนเนี่ยมันเรียนเรียนเรียนเรียนตั้งเรียนออกไปเรียนออกไปหลห้างออกไปมันหลายเรียนโคตเรียนหอดลอยอันโคตรตายแถวอยู่คนเขาเรียนเข้ามาจากสี่จังสี่จังสีใกล้เข้ามาใครแน่ส่วนมากนี่ยนะมันมันกจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้ส่งไปเป็นนักปฏิบัติบ้างดีๆกัดแขวก็ฟันบูชาพระพุทธเจ้าไในกระเถิดท่านพ่ออรหันต์ก็เลยตกลงสร้างคนสร้างคนสังยังไงต้องลงโทษท่านองค์นี้แหละ สั่งกันเลยผมเถ้าห้อมสะตายเรา่รอวะฉันท่านเลยบอกว่าพระอสุขผู้เป็นพระ อ, อหรหันต์ผู้เท่าบอกว่าในบ้านนี้ปั่นดงม้ไฟนี่ตงไง่ายๆสมมติในบ้านดงม้ไฟนี่มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อหน้าขาเสนหัวมีขนาดไอคิวในสมองสูงที่สุดได้ไยมคุนี่แต่ว่าพ่อแม่มันไม่ได้ถือศาสนาพุทธมันถือศาสนาอื่นคันซีห้ดี เฮ็ดจังไรเสดเด็กน่อยผู้นึ่มาบวชเอาคนหัวดีจังสิเอามาบวชที่มันเรียนเก่งๆแม่มันปฏิบัติมิเช่วยฟังให้ดีเรากําลังพูดกําลังเข้าอยู่ในลักษณะแบบท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยลังสร้างเด็กหัวดีอยู่เนี่ยต้องให้มันเรียนก่อนแล้วปฏิบัติในที่สุดบอกไปเอาเด็กหน่อยผู้นี่ไปเฮ็ดจังไรแล้วพอแม่มันบ่ น, นับถือศาสนาพุทธต้องให้พระโลหณะที่ถูกลงโทษเจ้าไปเยียนเอาให้ได้ขันเอาเด็กหน่อยผู้นี่มาบวชได้ถึงสิบวัอด ท, ท, ที่เจา้าบมาประชุมน้ำโม ป่าก่อนว่าท่านไปอยู่ทุกวันไปบินทบาทไปห้องกับไปยืนเจ็ดเทิาอยู่เงอนหลังนั่นแหละ <c oughs> เขาบอน้ำถือศาสนาพุทธกับไปยืน <c oughs> ขเขาบอใส่บาตรให้จักเถืเ่ <c oughs> เอเจ็ดปีก็สิบเบือนต้องไปยืนหันครุขรึ่งใส่บาตรห้กระยาไปยืนจักซิกนาทีเนี่เยเขาบอกน้องกระตามผมเห็นบอกความพยายามของทา่านของพระอราหันต์ทั้งหลาย ทาริย์เจ้าทั้งหลายพยายามที่จะเอาคนมาสร้างและมีคุณภาพในศาสนาเจ็ดปีกับสิบเดือนเด็กคนนี้ไปเรียนไตเพศของขามจนจบหัวดีมากจนไม่มีอาจารย์สอนแล้วทีนี้พอเจ็ดปีกับสิบเดือนมือมันหัวกับมีอหิ้กันในแต่เศร้าใจบวกระดิลงจากเงินยางเปื้นตึง้งตึงมาเห็นพระยืนเธอเลอยืนสง่ปูนบามันเห็นอยู่มือนีนะ่ยเจ็ดปีจนสิบเดือนให้ไอหน้าบอหัวล้นวันสัน มึงมายืนที่นี่ทำไม่มึงได้อะไรที่นี่ไปเอาเปหิบกชัยหัวไปให้พ้นพระเพิ่งจะยิ้มแล้วห่างก็เดินไปบินทบาทไปให้อื่นบัคคาก็มาค่ะแต่ว่ายืนอีกยืนอีกไอ้เม้าที่มันให้ให้พระแล้วมันระบายพระมันก็ไปทำงานมันก็กลับมาพ่ออีกมึงมายื่ทไมที่นี่บอกให้หัวไปให้พมึงได้อะไรมึงมาที่นี่ พระองค์นี้ทั้งกะยิ้มยิ้มพระโลหณะท่านบอกว่าเจริญพรโยมอาจจะมาได้นิดหน่อยวท่านบาตรฮมันเนี่ยกุศิบาตให้เราบอกว่าท่านบาตนึกเติมทื่เพื่อนก็ไปตึ้งตึ้งพระทังกะเดินไปเลยขึ้นไปดาเมียเป็งงก็านมึงใสบาตโ้มนี้วะท่นพุทธิบอกมึงใสวะท่นเมียก็เลยบอกเอนย่างบาตนี่คือเป็นักเป็นม่านมากแกกันัมึงจะมาหา้วะ่นมึงใสบาให้ังวท่นเพราะเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธ เลยทะเลาะ ก, กันหัวกับเมียกว่าจะรู้เรื่องได้หน้าดําตาแดงเกือบจะวางมวยก่อจะเอาเมียให้กระสอบตายแล้วเมียบอกว่าข่อยบ่ได้ใส่ข่อยบ่ได้ใส่เห็นดิ้อที่นี่ให้ข่อยตายฟาพาหากเลือยลงแดงหัวก็เลยวางใจว่าเป้พระขี่ตัวให้พิสกันันแล้วบาท น, นี้